สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่เป็นสมบัติของเราที่เราใช้เป็นที่พึ่งพาอาศัยให้ความสุขกับเรากำจัดความทุกข์ต่างๆให้กับเราเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสมบัติที่ จะต้องสิ้นสุดลงจะต้องหมดลงไปไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรามันก็มีวันสิ้นสุดพอร่างกายสิ้นสุดลงสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ก็หมด ความหมายไปเราไม่สามารถอาศัยสมบัติต่างๆเหล่านั้นได้อีกต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราต้องอาศัยสมบัติอีกชนิดหนึ่งสมบัติชนิดที่เราอาศัยเวลาที่เราไม่มีร่างกายก็คือบุญนี่เอง บุญนี้เป็นสมบัติที่เราอาศัยได้เวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายของเราตายไปซึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระร่างกายก็ต้อง ตายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยร่างกายก็ต้องตายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตคนเล็กคนน้อยร่างกายก็ต้องตายเหมือนกันพอตายแล้วความร่ำรวยความเป็นใหญ่เป็นโตความเป็นพระหรือเป็นอะไร ไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับพวกเราได้อีกต่อไปมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราอาศัยได้หลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วสิ่งนั้นก็คือบุญที่เราสามารถอาศัยได้ทั้งในขณะที่ร่างกายยังไม่ตาย และหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราไม่ต้องรอรับผลบุญตอนที่ตายผลบุญเกิดขึ้นตั้งแต่เราทำบุญเลย เ, เหมือนกับสมัยนี้เวลาเขาจะเอาเงินเราไปฝากหรือไปกู้เขาจะมีลูกเล่นลูกเล่อ ว่าตาให้เขากู้เงินเช่นหุ้นกู้เนีเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกสามเดือนธรรมดาดอกเบีย้ยนี่มันออกปีละครั้งมันนานเขาก็มีวิธีล่อให้เราเอาเงินไปให้เขากู้ซื้อหุ้นกู้แล้วจะมีการให้ดอกเบีย้ยทุกสามเดือน แต่ดอกเบีย้ยของบุญนี้ให้ตั้งแต่ตอนที่ทําเลยพอทําบุญปับ๊บดอกเบีย้ยก็เกิดขึ้นทันทีผลของบุญก็เกิดขึ้นทันทีส่วนเงินต้นของบุญนี้เราเรอไว้เบิกตอนที่ไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็จะได้ใช้ เงินต้นของบุญที่เราได้ทำเอาไว้เป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับเราให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขการทำบุญทำให้เรามีความสุขทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และจะมีความสุขหลังจากที่ตายไป พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยังทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธมันทำบุญกันอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเรายังมีเวลาอีกมากเพราะชีวิตของเราแต่ละคนนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คนตายได้ทุกอายุทุกวัย เกิดมาออกจากท้องแม่ตายไปเลยก็มีตายเจ็ดวันก็มีตายเดือนหนึ่งก็มีตายปีหนึ่งก็มีห้าปีสิบปีมีคนตายทุกอายุเราความตายของเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาวันไหนพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน อย่าประมาทนะอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปอ่ะเรายังหนุม่มยังสาวอยู่เรายังไม่แก่เรายังไม่ต้องเข้าวัดทำบุญกันตอนนี้เราหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติมาให้ความสุขกับเราดีกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมา ในช่วงที่เราไปหาความสุขกันเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่นี้ยเขามีสถิติคนตา ย, ยหยุดห้าวันเนี่ยแล้ว เ, เริ่มนับได้เนี่ยวันที่หนึ่งตายกี่ศพวันที่สองตายกี่ศพเนี่ยตายเพราะไปหาความสุขกั น, เ, นเดินทางบนท้องถนนเมาแล้วก็ขับกันแล้วความตายก็มาหา หรือถ้าไม่ตายก็พิกลพิการอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุขเวลาพิการอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากแต่ถ้ามีการทำบุญอยู่เรื่อยๆเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็น เล็กเป็นน้อยนึกเป็นมากพิกลพิการหรือไม่ก็ตามถ้ามีบุญแล้วใจยังมีความสุขได้ใจจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้เพราะใจมีบุญเป็นที่พึ่งพาอาศัยนั่นเอง าการทำบุญนี้ไม่ได้ทำเฉพาะเพื่อตอนที่เราตายไปแล้วเท่านั้นทำทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะชีวิตของเรานี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรในวันพรุ่งนี้อยู่ดีๆเกิดเส้นเลือดในสมองตีบตันขึ้นมาเป็นอามาพฤกรอามภาตขึ้นมา ขยับแขนไม่ได้ขยับขาไม่ได้เราก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆคนที่เรารู้จักบางคนที่เราไม่รู้จักบ้างถ้ายังไม่เห็นก็ไปที่โรงพยาบาลสิไปนั่งที่โรงพยาบาลไปดูคนเข้าออกโรงพยาบาลมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเพศทุกวัยทุกระดับ คนรวยก็ป่วยได้คนจนก็ป่วยได้ญาติโยมก็ป่วยได้พระภิกษุสามเณรแม่ชีก็ป่วยได้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแม้กับคนนั้นก็กับคนนี้เราก็อาจจะเป็นหนึ่งของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ ทีมงานของเราก็ยังมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่มาช่วยงานเพราะร่างกายไม่สมประกอบอันนี้ให้เราคิดแบบนี้ไว้แล้วเราจะได้เห็นความสำคัญของการรีบทำบุญกันมีเวลามีโอกาสเท่าไหร่ทำตอนที่เรายังแข็งแรงดีกว่ามันง่ายกว่า ทำได้มากกว่ามาทำตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บแล้วอยากให้คนก็มาทาให้เราตอนที่เราตายคนอื่นทำบุญให้เราไม่ได้เช่นเวลาเราตายก็จัดงานศพใหญ่โตนิมนต์พระทาบุญทาอะไรกันมากมายบุญที่เขาทำให้เรานี่เป็นเหมือนน้ำที่ติดอยู่ในแก้ว น้ำที่เราเททิ้งจะออกจากแก้วหมดแล้วเหลือแต่ส่วนที่ติดอยู่ในแก้วนั่นหละคือบุญอุทิศก็ดีกว่าไม่มีสำหรับคนที่ไม่มีน้ำเลยอย่างน้อยได้เรียนน้ำที่ติดอยู่ในแก้วมันก็ยังรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างนั่นหละคือความสุขที่เราส่งไปให้กับคนที่ตายไปแล้ว แต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่เราทำบุญของเราเองนี่เราได้น้ำทั้งแก้วเลยบุญที่เราทำทุกทุกชนิดนี่เราจะได้เต็มร้อยเลยแต่ถ้าบุญที่คนอื่นเขาทำแล้วส่งไปให้เราเวลาเราตายนี่จะเป็นเหมือนน้ำที่ติดเหลืออยู่ในแก้วเวลาที่เราเทน้ำทิ้งไปแล้วมันจะมีน้ำเหลืออยู่บ้าง นั่นแหละคือบุญอุทิศเป็นอย่างนั้นอย่านนอย่ามาเราให้คนอื่นเขาทำบุญให้กับเราทำเองดีกว่าทำเองได้น้ำเต็มแก้วถ้าเราให้คนอื่นเขาทำได้น้ำเศษน้ำที่เหลือติดอยู่ในแก้วเท่า น, นั้น น, นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสโล แล้วนำอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้มีที่พึ่งทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเราจะสุขสบายทั้งขณะที่เป็นและทั้งขณะที่ตาย เพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆให้กับเราเราคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเรียกว่าจิตใจเวลาที่เรามีร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้ก็เรียกว่าจิตใจ พอเวลาร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจากจิตใจมาเป็นดวงวิญญาณแต่เป็นตัวเดียวกันคนเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันใครมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนคนคนเดียวกันที่เปลี่ยนชุดเสื้อผ้า จะใส่ชุดไปทำงานใส่เครื่องแบบเป็นนายตำรวจเป็นนายพลหรือใส่ชุดลำลองอยู่ที่บ้านก็เป็นคนคนเดียวกันที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่เพียงชุดเสื้อผ้าเท่านั้นใจก็เหมือนกันเวลาใจมีร่างกายก็เป็นเหมือนมีเสื้อผ้าชุดหนึ่งเวลาไม่มีร่างกายก็มีเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่ง แต่คนใส่เสื้อผ้านี้เป็นคนเดียวกันจิตใจของเรากับดวงวิญญาณของเราเป็นคนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่เราเปลี่ยนชื่อมันจะได้พูดรู้เรื่องว่าเรากำลังพูดว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงไหนช่วงที่มีร่างกายหรือช่วงที่ไม่มีร่างกายเหมือนกับสุภาพสตรีเขาก็เปลี่ยน นามของเขามีแต่งงานกับสามีก็ใช้นามสกุลของสามีจากนางสาวก็มาเป็นนางพอายากันก็กลับไปใช้นามสกุลเดิมเอไม่ได้ใช้นามสกุลของสามีแล้วเ้วไม่รู้กลับไปใช้นางสาวได้หรือเปล่าได้ใช่ไหมกลับไปเป็นโสตได้เออ อันนี้ก็เหมือนกันคนคนเดียวกันใช่ไหมเวลาแต่งงานก็มีสถานภาพหนึ่งเวลาหย่ากันเวลาเป็นโสดก็มีอีกสถานภาพหนึ่งจิตใจนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตใจมีร่างกายก็มีสถานภาพหนึ่งเรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายเป็นโสดก็มีอีกสถานภาพหนึ่ง เรียกว่าดวงวิญญาณขณะที่เป็นดวงวิญญาณนี้ไม่มีร่างกายที่เราอาศัยพึ่งพาหาความสุขให้กับเราได้ตอนนั้นเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยบุญเท่านั้นบุญเท่านั้นที่จะให้ความสุขกับเราได้ตอนที่เราไม่มีร่างกายแล้วบุญนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกัน ระดับล่างกับระดับบนระดับต่ำหรือระดับสูงคือระดับน้อยหรือระดับมากระดับง่ายหรือระดับยากถ้าอยากได้บุญง่ายก็ได้บุญระดับต่ำถ้าอยากได้บุญระดับสูงก็เป็นบุญที่หายากที่ทำยากบุญระดับยาก เหมือนกับโรงแรมเนี่ยถ้าอยากจะดูระดับห้าดาวก็ต้องจ่ายมากหน่อยถ้าอยู่โรงแรมไม่มีดาวก็จ่ายน้อยหน่อยอยู่ตามเกีร์เท้าอย่างนี้พวกที่แบกเป้เนี่ยเขาก็จะไปอยู่ตามเกตร์เท้ากันพวกเศรษฐีเขาก็จองโรงแรมห้าดาวกันก็เป็นที่นอนที่กินเหมือนกันนะ แต่ทำไมราคามันต่างกันก็เพราะความสุขที่ได้รับมันต่างกันนั่นเองความสุขสบายที่ได้รับจากโรงแรมเกตเ้ากับโรงแรมห้าดาวนี่มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะบุญก็มีสองระดับระดับห้าดาวกับระดับเกตเ้าระดับเกตเถาก็จ่ายน้อยหน่อย ถ้าระดับห้าดาวก็ต้องจ่ายมากหน่อยบุญนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองระดับบุญระดับต่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศีลห้าก็จะได้บุญระดับต่ำส่วนบุญระดับสูงนี่ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าเป็นศีลแปด แล้วเปลี่ยนจากการทำบุญทำทานมาเป็นการภาวนามาการปฏิบัติธรรมมาฝึกสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นบุญระดับสูงแบ่งไว้สองระดับซึ่งเราก็มีผู้ปฏิบัติอยู่สองระดับนี้พวกที่เป็นขาราชาญาติโยมผู้ของเลือน ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติบุบญระดับต่ำนะส่วนผู้ที่เป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระเป็นสมมาเนนหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาพวกนี้เขาก็จะไปหาบุญระดับสูงด้วยการรักษาศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ศีลส1 1สบข้อนี่นี่คือศีลของผู้ที่ต้องการจะได้บุญระดับสูงแล้วก็ต้องบำเพ็ญกิตตภาวนาฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดโดยเอาธรรมะที่ได้ฟินได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามาสอนใจอีกต่อห น, นึง ก็จะได้บุญระดับสูงส่วนผู้ที่ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าก็จะได้บุญระดับต่ำนี่คือที่พึ่งทางใจที่เราสามารถใช้พึ่งได้ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้ว ถ้าเราไม่มีบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเวลาตายไปเราจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราเราจะเป็นเหมือนพวกอบพยพถูกเหตุการณ์สงครามการเมืองหเห็นไหมพวกที่เขาต้องอบพยพไปอยู่ตามค่ายกักกันในค่ายชายแดนค่ายอพยพเนี่ยเพราะพวกนี้เขาไม่มีเงินไม่มี อะไรเตรียมเอาไว้เวลาที่จะต้องโยกย้ายก็เลยไม่สามารถซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินไม่สามารถขอวีซ่าไปอยู่ต่างประเทศได้ mm hmm. ก็ต้องหนีด้วยการเดินเท้าข้ามชายแดนไป mm hmm. เห็นไหมเหมือนพวกสมัยที่เขามีสงครามเพื่อนบ้านเราเนี่ย เขาก็หนีออกพยพมาอยู่ตามชายแดนของเราเนี่ยเพราะเขาไม่คาดฝันว่าบ้านเมืองเขาจะมีมีสงคราม เ, เขาก็เลยไม่ได้เตรียมตัวกันถ้าเขารู้เรื่องหน้าม า, า จ, จะมีสงครามเขาอาจจะเก็บเงินเก็บตังพอจะรู้ว่าจะต้องโยกย้ายออกไปยบก็ตีตั๋วเค้ื่องขั้นบินขอวีซ่าก็ไปอยู่ในต่างประเทศอย่างปลอดภัย แต่พอไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าอาจจะมีภัยเกิดขึ้นก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมีแต่สมบัติเข้าของที่เอาไปาซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้ที่เอาติดตัวไปไม่ได้เอาไปได้ก็แต่เสื้อผ้าพอถึงเวลาจะต้องอบาพยพก็เลยต้องอพยพหนีไปอยู่ตามชายแดน แล้วก็อาศัยค่ายที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะเขาไม่ให้เราเข้าประเทศเราไม่มีวีซ่าไม่มีความสามารถที่จะอยู่ในประเทศเขาโดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาไดเา้เขาก็ไม่ให้เราเข้าประเทศคนที่จะไปเข้าประเทศได้เขาต้องถามก่อนว่ามีเงินหรือเปล่ า, ามีเงินจ่าย ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือเปล่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่ออกวีซ่าให้เนะมื่ให้เข้าประเทศเวลาเราไปต่างประเทศเราไปขอวีซ่าเขาก็ถามขอดูสมุดบัญชีนะมีเงินเท่าไหรนะ่ไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะให้ไปเข้าประเทศเขานะอันนี้ก็เหมือนกันความตายนี้มันจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะ หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมาเมื่ อ, อไหร่เราก็จะไม่รู้ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมบุญไว้ก่อนพอถึงเวลามันทำไม่ทันนะไม่ใช่จะทำได้แบบปุ๊บปั๊บขึ้นมาบุญนี่มันต้องอาศัยเวลาอาศัยการฝึกฝนเพราะโดยนิสัยของคนเรานี่ส่วนใหญ่จะไม่ชอบทำบุญกันเสียดายเงินทอง คิดว่าทำบุญนะไม่รู้ได้อะไรเห็นแต่เสียไม่เห็นไม่เห็นผลที่จะได้ว่าอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรก็เลยไม่ค่อยมีความยินดีที่จะทำบุญกันเท่าไหร่ยกเว้นคนที่ทาเคยทำมาแล้วหรือคนทำแล้วเห็นเห็นบุญที่เกิดขึ้นก็จะมีความยินดีที่จะทำสำหรับคนที่ไม่ยินดีก็ต้องพยายาม ฝืนบังคับให้ทาอยู่เรื่อยๆทาไปบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะเห็นผลเองแล้วต่อไปมันก็จะไม่ต้องบังคับเนี่ยเพราะมันจะเห็นว่าทาแล้วมันสุขใจสบายใจตอนต้นทำหนสองหนนี่มันไม่เห็นผลหรอกเหมือนกินข้าวคำสองคำนี่มันยังไม่เห็นผล กว่าจะเห็นผลของจากการกินข้าวเนี่ยไม่รู้กินกี่สิบคำนะต้องกินไปเรื่อยๆตักเข้าปากเขี้ยวเกินเขี้ยวเกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดความอิ่มขึ้นมาเแต่อนยะ่ารู้ว่าอ๋อกินข้าวนี่ดีอย่างนี้เห็นไหมทำไมาเราต้องป้อนข้าวให้เด็กกินนะเด็กมันไม่อยากกินข้าวเสียเวลาเล่นออกมาเอาเวลาไปเล่นดีกว่ามันสนุกกว่ากินข้าวไม่รู้สึก กินคำสองคำไม่ร really ู้สึกอิ่มพ่อแม่ก็เลยต้องคอยป้อนคอยบังคับให้กินพอกินเข้ามากๆเข้าก็เห็นความแากต่างว่าระหว่างเวลาที่ยังไม่ได้กินกับเวลาที่กินอิ่มแล้วเห็นความหิวหายไปเห็นความอิ่มเกิดขึ้นมาต่อไปก็อยากจะกินเองถึงเวลาหิวนี่ไม่ต้องให้พ่อแม่ป้อนนะ ลองขอละหิวข้าวขอกินข้าวนี่บุญก็แบบเดียวกันนะถ้าเราไม่เคยทำบุญเราจะรู้สึกว่ามันไม่รู้ทำแล้วไม่รู้สึกจะได้อะไรว่าเราทำน้อยเราทำนานๆทีเช่นปีใหม่ปีใหม่ทำกัน ห, หนึ่งวันเกิดทำอีกหนึ่งวันสงการวันสำคัญนานๆจะทำกันสักครั้งหนึ่ง เมื่อเหมือนจำนานๆจะตักข้าวเข้าปากสักคำหนึ่งเนี่ยข้าวคำเดียวมันจะมีความรู้สึกอะไรกับท้อ ง, องเราไหมมันไม่มีหรอกเราต้องอาศัยตักเข้าไปหลายๆคากินหลายๆคาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแสดงผลให้เราเห็นนะฉะนั้นเราต้องพยายามบังคับตัวเราถ้าเราไม่เคยทำบุญกันอย่างน้อยก็ต้องมาหัดทำระดับง่ายก่อน ระดับง่ายก็คือเนี่ยรักษาศี่ห้าแล้วก็ทำบุญทำทานด้วยการบริจาคข้าวของเงินทองที่เป็นของเราให้กับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะรู้สึกสัมผัสกับผลของบุญที่เกิดขึ้นนะ อย่าหวังในตอนเพียงทำครั้งแรกแล้วจะรู้สึกสุขใจอิ่มใจเพิ่มปิตินอกจากทําเยอะๆเอทําครึ่งหนึ่งเลยมีสมบัติอยู่ร้อยล้านทําไปสักห้าสิบล้านนี้ออถ้าลองทําอย่างเงี้มันจะรู้สึกเพิ่มปิติขึ้นมามีร้อยล้านทําแค่หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งมันไม่รู้สึกสะเทือนอสะเทือนท้องเรา เพราะมันน้อยสำหรับคนนี้มากนี้ถ้าทำน้อยมันถึงแม้ปริมาณเงินมันมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการเสียสล ะ, ะมันน้อยมีร้อยล้านทำแสนหนึ่งนี้มันนิดเดียวแต่คนที่มีสงแสนทาแสนหนึ่งนี้มันมากมันมีความรู้สึกสะเทือนใจมากทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจมากขึ้น ดังนั้นต้องพยายามบังคับทำบุญแล้วก็ต้องรักษาศีลด้วยทาไมต้องรักษาศีนเพราะว่าถ้ายังไม่รักษาศีลเกิดไปทำบาปมากกว่าบุญที่เราได้ทำบุญก็ยังไม่สามารถส่งผลได้เพราะบาปมันมากบบุญที่เราทำไว้ก่อนมาบังก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่มีคนก็บอกมีบุญแต่กรรมบังเห็นไหม มีบุญแต่กรรมมันบังไว้เลยทําให้บุญไม่สามารถส่งผลได้แทนที่จะได้ตําแหน่งได้ยศกับถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปก่อนเฮียเรียกว่าอมีมีกรรมมาบังบุญไว้จึงต้องอย่าทํากรรมด้วยจะได้ไม่มีอะไรมาบังผลของบุญจึงต้องรักษาศี่ห้าละเว้นอบายามุกต่างๆ ถ้าไปทําเสบบบายมุกเดี๋ยวก็ต้องไปทําบาปทํากรรมแล้วบุญก็จะไม่ได้ทําหรือทําก็ทําน้อยอย่างนี้เดี๋ยวก็ทําไปก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะผลบุญไม่สามารถส่งผลได้เพราะจะต้องไปรับผลของกรรมเสก่อนผลบาปของผลของบาปเสียก่อนแทนที่จะไปรับผลบุญทันทีรับไม่ได้ แต่ถ้าไม่ทำบาปเลยทำบุญปัป๊บเนี่บุญก็จะ ส, ส, ส่งผลได้ทันทีนะนี่จึงต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปนะไม่ใช่ทำบุญอย่างเดียวนะแต่ยังทำบาปด้วยนะมันจะแข่งกันนะบุญกับบาปมันจะแข่งแย่งเอาเอาเวทีเคือใจนี้เป็นที่แสดงผลนะนะถ้าใครมีกำลังมากกว่าก็ สามารถาผลักไอคนที่มีกำลังอ่อนกว่าให้ตกเวทีไปแล้วตัวเองก็จะได้สแสดงบทบาทบนเวทีได้ในบนกระบาดมันเป็นคู่กัดกันคู่ต่อสู้กันฉะั้นเราต้องอย่าส่งเสริมคู่ต่อสู้ของบุญพยายามกาจัดคู่ต่อสู้ของบุญจะได้ไม่มีอะไรมาผลักใจให้ออกจากใจไป ให้บุญมันอยู่ในใจให้มันส่งผลให้กับใจถ้าทำาถ้าทาบุญแต่ไม่รักษาศีลเนี่ยก็อาจจะต้องอาจจะไปทำบาปมากกว่าทำบุญก็ได้แต่ถ้าทำบุญแล้วไม่ไม่ทำบาปรักษาศีลได้ถึงแม้ว่าจะทำบุญนิดเดียวมันก็ส่งผลได้มันก็มันก็สามารถให้ผลกับใจได้ ดีกว่าทำบุญสิบเท่าแต่ทำบาปซี่สิบเท่าบุญสิบเท่านี้ก็ยังสแสดงผลไม่ได้แต่ถ้าทำบุญเท่าเดียวแต่ไม่ทำบาปเลยบุญเท่าหนึ่งมันก็สแสดงผลได้ทำไมบุญขั้นแรกต้องทำทั้งสองอย่างถึงจะได้ผลดีบางคนคิดว่าทำบุญแล้วทำบาปไม่เป็นไรทำได้ทำบาปได้ด้วย ตอนนี้เรามีบุญแนละบุญจะช่วยเราไม่แน่นะว่าบุญจะช่วยเราได้หรือไม่บุญมีกำลังมากกว่าบาปหรือเปล่าถ้าบุญมีกำลังน้อยกว่าบาปบาปมันมันเอาบุญเตะบุญออกจากเวทีไปอยากจะรู้ว่าบุญกับบาปอันไหนมากกว่ากันก็ดูตอนที่เรานอนหลับฝันไปนี่ยนะตอนนั้นแนะ่ะเป็นเวลาที่บุญกับบาปมันจะมาขึ้นเวที ให้เราเห็นให้เราได้หมันจะขึ้นมาโชว์ตัวคือมันจะปรากฏขึ้นมาในใจในรูปแบบของความฝันเนี่ยเวลาฝันได้เนี่ยแสดงว่าบาปเป็นผู้แสดงผลมนาะเวลาฝันดีก็บุญเป็นผู้แสดงผลนะดังนั้นสำหรับบุญขั้นขั้นง่ายนี่ต้องทำสองอย่าง คือหนึ่งต้องรักษาสีท่าและละอบายามุขห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งไม่ดื่มสุรายาเมาสองไม่เล่นการพนันสามไม่เที่ยวเตสี่ไม่เกียดค้านห้าไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยเพราะคนที่ชอบอบายามุขจะชวนให้เราไปเสพอบายามุขนั่นเอง ค น, ค, น brasile, น ค, คนชอบกินเหล้าเดี๋ยวก็ชวนเราไปกินเหล้านะเว่าเขาจะไปกินเหล้าเขาจะไปทําอะไรเขาไม่ไปทําบุญเขาก็จะชวนเขาจะไปกินเหล้าเขาเจอเราก็ให้ไปไหมไปกินเหล้าไหมกําลังจะไปกินเหล้าพอดีถ้าคนชอบเล่นการพนันพอเจอเราให้ไปการไปเล่นการพนันไหมแถวชายแดนปลอยเป็ดเนี่ยบ่อนเยอะแยะเลยหรือไม่ต้องไปชายแดนก็ได้เนี้ย ตามหมู่บ้านก็มีบ่อนให้ไปเล่นได้เพียงแต่ถามว่าบ่อนอยู่ที่ไหนคนชอบเล่นการ์ด น, นั้นมันจะถามหาหเองอะ่ะไอ้บ่อนแถวนี้มีบ่อนที่ไหนบ้างก็เปล่าคนชอบเที่ยวก็ถามว่าที่ไหนมีที่บาผับอยู่ที่ตรงไหนบ้างว่าซ่องโสเภณีอยู่ที่ตรงไหนบ้างเนี่ยมันก็จะถามหาของพวกนี้ ถ้าเราครบคนพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปตามที่เขาอยากจะไปคนขี้เกียจก็จะชวนให้เราขี้เกียจให้ไปทางานเสียเวลามานั่งเล่นกันดีกว่าเหนื่อยยากไปทำไมมาเล่นกันดีกว่าอันนี้คืออบายามุกทำไมถึงไม่เสพอบายามุกเพราะอบายามุกมันไม่มีรายได้มันมีแต่รายจ่าย มีแต่เสียไม่มีได้มีแต่เสียเงินเสียทองถึงแม้คิดว่าเล่นการพนันาจจะได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเสียเพราะว่ามันไม่เสียเร็วแล้วเสียไม่ไม่เสียเร็วมันก็เสียชานะเพราะเวลาได้มันก็อยากจะเล่นต่อคิดว่าเก่งพอเล่นไปเดี๋ยวก็เสียพอเสียก็อยากจะเอาคืนก็เล่นอีกเดี๋ยวก็เสียหมดตัวนะ พอไม่พอไม่มีเงินก็ขายบ้านขายช่องขายข้าวขายของมาเล่นพอไม่มีเงินเล่นไม่มีสมบัติจะขายแล้วทีนี้ก็ไปขมโมยเงินของคนอื่นมาเล่นไปทำบาปในที่สุดอบายามุกนี้มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับมีแต่ขาดทุนไม่มีกำไรถ้าเป็นบริษัทก็แจ้งอย่างเดียว บริษัทถ้าตั้งเป็นบริษัทอบายามุกนี่ก็แจ้งอย่างเดียวไม่มีวันที่จะกำไรได้พอเจงแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปโกหกหลอกลวงเอาเงินของคนอื่นมาแล้วก็ไม่ใช้เขาเพราะไม่มีปัญญาจะใช้เขาได้พอกู้หนี้ยืมสินไม่ได้ก็ไปขโมยไปปนไปจีบไปทำบาปต่อไปเห็นต้องหลีกเลี่ยงอบายามุก าอาบายามุขนี่เป็นตัวที่จะฉุดให้ผู้ที่เสพ บ, บายามุขต้องไปทำบาปต่อไปบาปก็มีอยู่สี่ข้อความจริงข้อที่ห้านี่เป็นอบายามุข ค, คือสุรายาเมาดื่มสุราแล้วมันทำให้มึนเมาทาให้ควบคุมใจไม่ได้ควบคุมความคิดการพูดไม่ได้คนเมาแล้วมั ก, กจะพูดจาหยาบคายพูดจา ทะาลาะวิวาทมีเรื่องกับคนนั้นกับคนนี้ตอนต้นก็เพียงแต่พูดด้วยวาจาแล้วเดี๋ยวก็ทุบตีกันดีไม่ดีก็ฆ่าฟันกันขึ้นมาเ mm hmm. พราะไม่มีสติคอยระ ง, งับอารมณ์ระ ง, งับการกระทําการพูดนี่เอง mm hmm. จึงต้องห้ามจึงต้องเอาสุรานิสัยไว้ในศีลห้า ผู้ที่จะรักษาศีหน้าได้นี้ต้องรักษาข้อนี้ให้ได้ก่อนคือข้อสุราเพราะถ้าไม่ดื่มสุราก็จะไม่มหมึนเมาสังเกตไหมเวลาคนคนเดียวกันเนี่ยเวลาดื่มกับไม่ดื่มนี่เป็นไงเป็นคนละคนเลยในชะ่ไหมเวลาไม่ดื่มนี่พูดจาเรียบร้อยครับผมคะขาพอล้ดื่มสุราแล้ว ขาขาครับผมหายไปมึงกูออกมาห้หายเฮออกมาอนนี่คือควบคุมวาจาไม่ได้เอี่ยเก็จะไปพูดจาหยาบคายพูดจาแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรของใครก็คว้ามับเลยเหมือนหมาเลยเห็นแฟนของใครชอบเขาก็ไปเอาเข้ามาเลยเห็นมล้ไปลวนลาม สุภาพสติเนี่ยสุภาพสติมักจะหนีคนที่เมาไม่อยากจะอยู่ใกล้มีแต่ขาดทุนเนี่ยมันพอเมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้รักษาเสียนยากขนาดไม่เมายัางรักษาไม่ค่อยได้คิดดูพอเมาแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรมาห้ามใจเลยอยากจะทําอะไรอยากจะพูดอะไรจะทําได้อย่างทันที คนบางคนเวลาจะไปทำบาปถึงต้องดื่มสลาย้อมใจก่อนเพราะเวลาไม่เมามันยังมีสติให้มานั่งอคบคิดว่าดีไม่ดีทำดีไม่ดีดดแต่พอเมาแลา้วมันไม่มีสติมานั่งคบคิดนะมันก็จะไปทำตามความอยากทันทีจึงสังเกตดูคนที่คนที่ใจใจไม่กล้ า, าหานกับการทำบาปนี้เขาต้องดื่มสรายซะหน่อย พอเดิมแล้วทีนี้ก็ให้ทำอะไรก็ทำได้เนี่ยพวกที่รับน้องใหม่ก็อย่างนี้น้องใหม่เวลาไม่เมาก็ไม่กล้าทำอะไรที่รุ่นพี่บอกให้ทำบอกให้เดิมโซลาเมาทีนี้รุ่นพี่บอกให้ทำอะไรก็ทำบอกให้แก้ผ้าก็แก้ผ้าใช่ไหแต่เวลาที่ยังไม่เมานี่ยไม่กล้าทามีความอับอายขายหนะ้ารุ่นพี่เลยต้องบังคับให้เดิมโซลาก่อน ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีรับน้องใหม่เป็นวิธีรับนับศัตรูใหม่เพราะมันจะโกรธเกลียดเราไปจนวันตายรับน้องใหม่ต้องพาไปทําบุญเลยถึงจะเป็นวิธีรับน้องใหม่ทำให้น้องใหม่มีความสุขมีอะไรแบ่งปันให้น้องใหม่แจกให้น้องใหม่เนี่ยน้องใหม่ก็จะรักพี่เขารบพี่ นี่อะไรหว่ามาบังคับให้ให้กายให้ทำอะไรพิเลนต่างๆ น, านี่คือบุญขั้นแรกที่เราจะใสยเป็นที่พึ่งเรียกว่าขั้นง่ายแล้วนะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยรักษาศีลเลยก็จะรู้สึกว่ายากนะเพียงแต่รักษาศีลห้าข้อนี่ก็ยาก คนที่ไม่เคยทำบุญไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละแบ่งปันเลยมีแต่เอาอย่างเดียวคิดแต่จะเอาอย่างเดียวเนี่ยพอต้องมาคิดย้อนกลับคิดจะให้เนี่ยมันคิดไม่ออกนะเคยมีแต่ได้พอบอกให้ทำบุญไม่งงทำยังไงวาทำบุญ <laughs> บางทีก็ต้องไปอยู่กับคนที่เขาทำบุญสอนเนี่ย เขาจะสอนเนี่ยมีข้าวของเงินทองอะไรที่เราพอที่จะแบ่งให้คนอื่นเขาได้แบ่งให้เขาบ้างให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนมากกว่าเราให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนบ้างให้ เ, เขามีความสุขบ้างแล้ว เ, เราจะมีความสุขจากการที่เราเสียสละแบ่งปันนี่คือขั้นแรกของ ของบุญนะถ้าเรายัางไม่มีบุญเลยเราต้องมาหัดทาขั้นที่ง่ายก่อนคือมารักษาศีลห้าละเว้นอบายามุขแล้วก็พยายามหัดทาบุญหัดทาวันทีละเล็กเทือน้อยก่อนทาก็บุญก็เหมือนกินข้าวอย่าทนานานๆทำห น, หนึ่งพยายามทามันทุกวันเลยมากน้อยแล้วแต่กำลังห้าบาทสิบบาทก็ยังดี ทำบุญกับขอทานก็ได้ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้เห็นภาะบินตบาทมามีเงินสิบบาทซื้อขนมสักชิ้นใส่บาทไปก็ยังได้ก็ได้บุญและทำอย่างนี้ไปทุกวันถ้าไม่มีขอทานไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าผ่านเอาเงินใส่กระปุกไว้ตอนนี้คือเงินทำบุญ พอวันไหนสะดวกไปมีเวลาว่างไปวัดก็เอาเงินที่ใสก่กระปุกนี้ไปทำบุญไปซื้อของทำบุญได้ไปซื้อกับข้าวกับปาหารจะซื้อได้มากด้วยแทนที่จะเคยซื้อแค่ชิ้นสองชิ้นอาจจะซื้อได้เป็นสิบยี่สิบชิ้นไปถวายแต่ควรทำทุกวันเพราะทำแล้วมันจะง่ายทำทุกวันมันจะทำให้รู้สึกมันติดเป็นนิสัยด้วย เวลาเราเคยทำอะไรแล้วมันจะเริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันมีความเคยชินนะเหมือนพิมพ์ดเนี่ยถ้าเราหัดพิมพ์ถ้าเราหัดพิมพ์วันลาครั้งนี่จิ้มหนึ่งนิ้วแล้วก็หยุดนี่มันยากแต่ถ้าเรานั่งจิ้มไปทั้งวันทั้งคืนนี้เดี๋ยวมันก็จิ้มได้เดี๋ยวมันก็ชำนานการทำอะไรมันก็อาศัย การทำบ่อยๆการทำซ้ำๆแล้วมันจะเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วมันจะทำจะรู้สึกว่าทำได้นี่คือวิธีทำบุญที่จะทำแล้วให้เกิดผลได้อย่าทำบุญแบบรอวันสำคัญปีใหม่ทำสักวันหนึ่งวันเกิดทำสักวันหนึ่งวันสำคัญทางาศาสนาทำสักครั้งหนึ่งอย่างนี้ไม่พอเพียงแลย บุญแค่นี้ไม่พอที่จะมาสู้กับบาปที่เราทํากันถึงแม่รักษาศีลก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ทําบาปนะรักษาศีลบางทียังพังเผอได้ยังเผอโกหกได้ยังเผอไปหยิบของคนของคนอื่นได้บางทีมันอยากได้เนะี่ยแล้วเห็นว่ามันไม่มีใครเห็นวางไว้เฉยๆก็อาจจะคว้ามัดเข้ากระเป๋าเลยก็ได้ บางทีมันเร็วนะบางทีทั้งทั้งที่ไม่อยากจะขโมยแต่มือมันรู้ทำไมมันไวกับเราก็ไม่รู้เห็นแล้วมันมันอยากได้ขึ้นมาความอยากนี้มันจะเร็วอันนี้ต้องพยายามหัดทาบุญอยู่เป็นประจํารักษาศีลเป็นประจาเนี่ยรักษาศีลห้าสมาทานหนเดียวไม่ต้องสมาทานทุกวันการสมาทานก็คือการตั้งใจ มาต่อไปนี้จะรักษาศีลห้าไปจนวันตายเนี่ยสมาทานหนเดียวพอศีลขาดไม่ขาดไม่ต้องมาสมาทานหาใหม่ใอ้รู้ว่าขาดแล้วก็พยายามอย่าทำอย่าทำอีกอย่าไปทำซ้ำอีกหรือถ้าวิถ้าอยากจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันทำซ้ำอีกก็ต้องลงโทษตัวเองเอาขนมเอาเงินที่จะไปซื้อขนมมาเป็นเงินทำบุญแทน เอาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปกินไปดืม่มเอามาทำบุญแทนต้องมีมาตรการควบคุมลงโทษตัวเองไม่งั้นบอกเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโกรหกนิดเดียวขโมยของนิดเดียวแต่มันเดี๋ยวมันจะทำบ่อยๆขึ้นมันก็พอมารวมแล้วมันก็จะเยอะขึ้นงนั้นถ้าเรารู้ว่าเราทำบาปทำผิดศีล ถ้าเราอยากจะไม่ทำเองเราหาวิธีลงโทษตัวเราเองดีกว่าเพราะเวลาลงโทษแล้วมันจะรู้สึกว่าเออถ้าทำแล้วต้องมีการรับโทษนี่ต่อไปอย่าทำมันจะจำไดออ้นี่คือเรื่องของการสร้างบุญที่เพิ่งระดับง่าย ที่เราจะศัยทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่และตอนที่เราตายไปเวลาตายไปในใจของเราจะมีความสุขจะไปสุขคติจะไม่ไปเกิดในทุก ข, ขติทุก ข, ข, ขติก็คือใจที่มีแต่ความทุกข์ดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์หรือถ้าเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีความทุกข์มากกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ถ้ารักษาศีลห้าก็ไม่ต้องไปเกิดในทุกขติแล้วถ้าทําบุญบุญก็จะพาเราไปสุ ข, ขติไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสวรรค์ชั้นเทพเนี่ยไปเป็นเทพระดับชั้นจ่าตุมชั้นดุสิตชั้นยามาชั้นออะไรมีหกชั้นด้วยกันดาวดึงชั้นดาวดึงยาตุมยามาดุสิตดาวดึง บาลานิมเออะไรค้อนอีกชื่อหนึ่งเนี่ยมีอยู่หกชั้นก็เป็นเหมือนนงนามที่มีติดดาวเนี่ยสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ติดดาวดาวหนึ่งดวงดาวสองดวงดาวสามดวงขึ้นอยู่กับปริมาณบุญที่เราทาําว่าทํามากทําน้อยอี่างนี้ทำถ้าทําบุญแล้วได้เท่ากันก็ทําน้อยไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมเราได้เท่ากันเหมือนไปซื้อของในร้านจ่ายสิบบาทก็ได้เสื้อเหมือนกัน คนจ่ายร้อยก็ได้เสื้อเหมือนกันงั้นก็จ่ายแค่สิบบาทก็พอเลยัก็จะได้เสื้อเหมือนกันแต่บุญมันไม่มันบุญมันก็เหมือนเสื้อผ้าอะมันก็มีราคาสูงต่ำเหมือนกันมีสุขมากสุขน้อยเหมือนกันอย่างนันไม่ได้อย่าไปคิดว่ า, าทำบุญแล้วทำน้อยแล้วจะได้ผลเท่ากับคนที่ทำมากมันไม่ได้หรอกคนทำมากก็ต้องได้ผลมากคนทาน้อยก็ต้องได้ผลน้อย ฉะนั้นปีหนึ่งก็ทําหนเดียวก็พอใช่ไหมทำมันเกิดหนเดียวก็พอแล้วเราก็ได้เหมือนกับคนที่ทําบุญทุกวันไงมันไม่เหมือ น, นหรอกอ น, นี่คือบุญขั้นแรกที่เราจะได้ขั้นที่ง่ายเนี่ยก็เราสร้างบุญขั้นที่ง่ายได้แล้วเราก็มาหัดสร้างบุญขั้นที่ยากคือหัดมาลองเอาวันใดวันหนึ่งที่เราสะดวกหัด มาถือศีลแปดแล้วมาหัดภาวนาไปอยู่วัดไปหัดนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเราก็จะได้สร้างบุญระดับที่สูงระดับห้าดาวไม่ใช่ระดับเกท้าวความสุขมันมากกว่ากันแต่ค่าใช้ใจ่ายมันก็มากกว่ากัน ศีลห้าก็ต้องเป็นศีลแปดนะแล้วก็ต้องเลิกไม่ดูไม่ฟังอะไรต่างๆพวกบันเทิงร้องลําทำเพงลงมหัสพดูละครดูภาพยนต์ไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่เสมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรรหรือเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆ ไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนบนพื้นแข็งๆมันจะได้นอนไม่มากจะได้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจที่เกิดจากการทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาที่ได้เกิดเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมมารักษาความสุขที่ได้จากความสงบให้อยู่ไปนานๆน อันนี้ก็จะทำให้เราได้โลกุตตะได้บุญระดับที่ไม่เสื่อมถ้าเราเอาเพียงแต่ศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิเราได้บุญแบบโลกิยาคืยังเสื่อมได้อยู่ยังหมดได้แต่ถ้าอยากจะเอาบุญแบบไม่หมดนี้เราต้อง ใช้ปัญญามารักษาบุญที่เราได้จากสมาธิมาแปลงให้มันเป็นบุญของพระอริยเจ้าเป็นโลกุตระบุญบุญที่ไม่เสื่อมได้แล้วจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันลดน้อยลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มร้อย ภาระมีสี่ขั้นบุญของท่านมีสี่ขั้นความสุขของท่านมีสี่ระดับระดับที่หนึ่งพอได้แล้วก็ไม่เสื่อมแล้วพอปฏิบัติต่อไปก็ได้ระดับที่สองก็เพิ่มขึ้นมาอีกระดับที่สามก็เพิ่มขึ้นมาอีกอระดับที่สี่ก็เต็มร้อยแล้วก็จะไม่มีเสื่อมไม่มีหมดไปจากจิตจากใจต่อไปบุญระดับนี้เราเรียกว่านิพานอนิพาน เป็นบารมมศสกขเป็นบาร ม, มีบุญความสุขก็คือบุญบุญก็คือความสุขนี่ที่จะเกิดจากการที่เรามาสร้างบุญระดับสูงระดับห้าดาวระดับยากโดยการมาหัดถือศีลแปดเนี่ยมาหัดนั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมให้รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่จะมาคอยทำลายความสุข อะไรเป็นตัวที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็กําจัดมันด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของที่พึ่งพาอาศัยของพวกเราที่เราสามารถพึ่งพาอาศัยได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และขณะที่เราตายไปแล้ว อย่าพาอย่าพึ่งพาสายพวกสมบัติลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันพึ่งได้ในช่วงที่ร่างกายมันสมประกอบพอร่างกายมันไม่สมประกอบแล้วมันพึ่งไม่ได้แล้วนะตอนนั้นจะทุกข์ทรมานจนบางครั้งก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายกั น, นพยายามลดการพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วหันมาพึ่งบุญดีกว่าบุญระดับง่ายก่อน พอทำบุญระดับง่ายได้แล้วก็มาทำบุญระดับยากต่อไปแล้วเราจะมีที่พึ่งไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะเดี๋ยวช่วงสามโมงไปนี่จะมีเป็นช่วงถามถามตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษเดือนหนึ่งจะมีชาวต่างประเทศ เขียนคำถามส่งเข้ามาเก็บสะสมเอาไว้พอได้ประมาณ30สิคำถามก็จะเอามาถามกันถ่ายทอดสดแล้วก็บันทึกไว้ในวิดีโอต่อไปก็ขอแจ้งให้ท่านที่อยากจะถามคำถามว่าวันนี้ของรถถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ส่งเข้ามาได้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตถินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิบะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามนีจุติอราโยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตรารโธรรมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามแต่วันนี้ขอเป็นคำถามภาษาอังกฤษ อ๋เป็นช่วงที่จะมีคำถามเป็นภาษาอังกฤษเข้ามามากวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา361ย t u b บ319วิทยุออนไลน์22รับฟังข้างบนนี้55คนรวมทั้งหมด757ครับโอเคก็จะขอเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษเลย